ฟังสัมมนาทนายกถา <c oughs> เป็นการดื่นเริงในธรรม <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะให้พรประสงค์ก็จะโมโนทนาให้พรเ <c oughs> นื่องจากวันนี้เือ <c oughs> <c oughs> อะไรนะสายการบินนะ <c oughs> <c oughs> สายการบินไทยสม า, <c oughs> สา ย, ารมยมารตรงนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการไทยสมัย แต่ไม่เห็นมีรถถังสักคันตัวนี้ฮน ะ, ะมีแต่เครื่องบินจะไม่มีรถถังพวกเรา <c oughs> กลุ่มทำงานไทยสมยัย <c oughs> บริการให้คนเดินทางได้รับความสุดวกสบาย <c oughs> มีทั้งคน ขับเครื่องมีทั้งคนบริการบนเครื่องมีทั้งคนคนบริการอยู่ภาค พ, พื้นดินมีทั้งผู้บริหารเล็กบริหารใหญ่ประสับประสานทํางานกันงานทุกอย่างจะต้องเกาะกันเหมือนลูกโซ่นะงานที่จะไปได้ดีงานจะต้องเกาะกันด้วยลูกโซ่เหมือนลูกโซ่ถ้าขาดช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็งานก็าขาดช่วงขาดตอนเพราะฉะนั้นงานจะเป็นไปได้ด้วยดีงานจะต้องเกาะกันแล้ว พวกเราทำหน้าที่เหมือนโซ่เกาะกันอย่าให้มันผลักกันคนหนึ่งเกาะคนหนึ่งคนหนึ่งใครมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับใครกับใครก็เกาะกันเหมือนลูกโซ่เกาะกันแล้วก็ติดกันความนึกคิดในใจของเราเราจะต้องมีความนึกคิดว่าเราหวังพึ่งกันการหวังพึ่งกันไม่ใช่ว่าเราไปอ่อนข้อยเขาให้เขาเกงไม่ใช่ไหมไม่ใช่ ในเมื่อเราอ่อนน้อมให้เขาเขาก็อ่อนน้อมให้กับเราเราหวังพึ่งเขาเขาก็หวังพึ่งเราผู้น้อยหวังพึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หวังพึ่งผู้น้อยเมื่อต่างคนต่างหวังพึ่งกันและกันแล้วจะทำตัวให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพให้เป็นที่ยำเกรงกกันและกันอันนี้เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะถ้าเราขาดความเคารพขาดความยาเกรงขาดความหวังพึ่ง พึ่งพิงซึ่งกันและกันแล้วมันกลายเป็นว่าตัวใครตัวเราตัวใครตัวมันต่างคนต่างแข็งตัวไม่งึดไม่งอรับใครไม่ยึดไม่งอเรานั่นถ้ามันไปอย่างนั้นนะถ้าเป็นเรื่องของการขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันขาดแล้วสเสดงลูกโซ่เราเก่อกันไม่ติดแล้วมันพลากกันแล้วทำให้งานการของเราขาดช่วงแต่ที่งานจะเดินไปได้ด้ดยดีก็ไปหยุดไปเช้งักไปชะลอ ชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับระบบงานสายงานชีวิตของเราเราดูคุณภาพร่างกายของเราถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าชีวิตของเราเนี่ก็ามาขัดมาคล่องมาโน่นมานี้แล้วบางทีก็ขัดคล่องมาตั้งแต่นน่นออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆคนเรานั้นมีกรรมไม่เหมือนกันบางคนก็มาเจ็บมาไข้ามาป่วยตอนโตขึ้นมาบางคนก็ตอนวัยกลางบางคนก็ตอนวัยชราแต่บางคนก็มีอุบัติเหตุ หรือไม่ก็มีประเภทโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเหตุให้เราบุบัตดก่อนที่จะวัยหนุ่ม ว, วัวยสาวได้ซ้ําไปแล้วก็ทิ้งอัตภาพร่างกายนี้ก็ไปนี่คือความมันขัดข้องในอัตภาพร่างกายของเราทีนี้สายงานของเราถ้าเรามาเทียบก็เหมือนกับระบบระเบียบของร่างกายของเรานี่เองอชีวิตของเราก็เหมือนกับชีวิตของงาน ชีวิตเขาท ง, งานก็คือระบบระเบียบการพัฒนาของสายงานพัฒนาไปจากพวกเราพวกเราทุกคนเป็นแรงผลักดันทําให้งานของเราเป็นไปได้ด้วยดีประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือพวกเราได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาใช้มาบริการงานทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นงานของพระเจ้าอยู่หัวเป็นงานของพระเจ้าแผ่นดินเป็นงานเพื่อพระเจ้าแผ่นดินเพื่อพระเจ้าแผ่นดิน คือปัจจัยคือเงินคือทองนั่นนะพระเจ้าแผ่นดินเพราะพระเจ้าแผ่นดินนะั้นเป็นแก้วสารพัดทีเราเอาคุณสมบัติของพระองค์ท่านไปแลกอาหารมาอยู่มาฉันมาขับมาขบมมาฉันเสื้อผ้าพรที่อยู่ที่อาศัยเครื่องบรรเทาทุกข์จากเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรท่ออะสารพัดการงานเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ทาให้เราได้สิ่งเหล่านั้นมา เราต้องโสต้องแสวงหาร่างกายของเราจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่ร่างกายต้องการอาศัยสิ่งเหล่านี้การที่เราจะทําอะไรให้เป็นไปนตามกายนั้นจะต้องมีธรรมะในใจกำกับเข้าไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้าท่าสอนไปหมดแหละเราแสดงพฤติกรรมยังไงที่จะเป็นไปโดยชอบด้วยธรรมแสดงพฤติกรรมยังไงที่ผิดหลักของศีลของธรรมเราเอาหลักของพระบาสุเมตพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่ในโกดของเรามามามาม า, มาพูดให้ฟังพุทธพระเจ้าอยู่หัรัชกาลที่ก้าของเราเนี่ยท่านเป็นพุทธมารุกะท่านเป็นผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยเราฟังเขาเอาคุณสมบัติของพระองค์มาพูดมาปัญญายตอนไหนทีไหร่เมื่อไรเราซึ้งใจเราปลื้มใจว่าพระองค์นี้มีใจน้อมาเกี่ยวกับเรื่องศีลด้วยธรรม อ, อย่างแท้จริง โดยเฉพาะพระองค์ปลูกฝังพวกเราให้ยึดมั่นในธรรมะที่เขเรียกว่าอธิฐานธรรมอธิฐานธรมธรมทำว่าที่พวกเราควรตั้งเอาไว้ในใจในนั้นมันมี อ, อะไรนะสัจจะธรรมะขันติจาคะธรรมะสี่อย่างเนี่ยเป็นธรรมะที่เราควรตั้งเอาไว้ในใจทำประหนึ่งเหมือนกับว่าสัตอยู่ปากคลอง ธรรมะเหล่านี้เราตั้งประหนึ่งเสมือนว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ปากขอ้อพวกเราอยู่ภายนอกเรามีสัตว์ปากขออเราไว้ดูเป็นควายเป็นวัวเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรนี่มันอยู่ปากขอ้อเพราเราเปิดปุ๊บตัวไหนอยู่ปาก ข, อ, ข อ, ออกก่อนเปิดปุ๊บตัวไหนอยู่ปากค้อออกก่อนธรรมะสี่อย่างที่เราควรตั้งเอาไว้ในใจเปรียบประหนึ่งธรรมะเปรียบประหนึ่งสัตว์อยู่ปากขอ้อสัจะธรรมขันติจารคั สัจจะสัจจะนี้เราได้ทั้งไนยะตื้นที่เรามาเกี่ยวข้องกันด้วยความซื่อสัต์สุจริตสัตยาสัตยาอีกกันหนึ่งละเอียดลึกซึ่งไปจนถึงเรามาศึกษาเรื่องสิ่งเรื่องธรรมละเอียดเข้าไปถึงหลักของสัจธรรมมีคําว่าสัจจะในหลวงท่านมักจะเอามาสอนประสงค์นิกรของพระองค์ด้วยธรรมสีข้อเหล่านี้เพระาะฉะนั้นเราศึกษาธรรมสีข้อนี้เป็นการอนุสอนระลึกถึงพระองค์เป็นตัว พระมีคุณอันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ปกครองพวกเราให้อยู่ย็งเป็นสุขเก็บจิกกว่าปีอู้ไม่ธรรมดาเลยดูเลยปกครองพูดถึงว่าผลประโยชน์ก็เต็มบ้านเต็มเมืองในยุคช่วงรัชสมัยของพระองค์จัดจะเรามาแปลงให้เป็นสัตยะเนียสัตยะหรือสัตสัต ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่เราแปลงมาใช้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตความซื่อสัตย์สุจริตนั้นคือความตรงไปตรงมาผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้น้อยกับผู้น้อยผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกันตรงไปตรงมารู้ยังไงพูดอย่างนั้นเห็นยงไงพูดอย่างนั้นมีความเป็นไปซื่อตรงยังไงก็ทาอย่างนั้นที่เขาเรียกว่ามีความซื่อ สัตซื่อต่องานสัตซื่อต่อคําพูดสัตซื่อต่อวาจาสัตซื่อต่อหลักของสัตจะทําลึกๆลกเอียดขึ้นไปเรื่องเรื่องเรื่องของสัตสัจคาจาําว่าสัจจะหมายความว่ามันไม่ปีนเกลียวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมสัจยญาเป็นไปตามอํานาจของศีลของธรรมเหมือนยอดหญ้าที่มันลู่เวลาถูกลมลู่ไปตามกันหมดไม่มีตัวไหนมาขัดมาง้างกัน ยอมยากที่อ่อนอ่อนสัตยาสัตยะลู่ไปตามอำนาจของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขัดสินกัดธรรมแล้วก็เครียกว่าหนึ่งสุดจริตสองทุตจริต ส, สุดจริตก็คือไม่มีสัตว์เลยนะทุตจริตน่ยถ้าเป็นสุจริตก็เป็นคําสัตว์สายงานของเราบางทีโซเราทําให้โซเราแตกเราหักกันก็ได้ถ้าหากเราขาดสัตส ต, ตยาตัวนี้สัตซื่อต่อกันและกัน ในแง่งการตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เะเอียดนึกซึ้งเข้าไปก็คือสัจ <c oughs> จะสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงตามภาวะที่มันมีอยู่เป็นอยู่ของมันเช่นอย่างอะไรล่ะเช่นอย่างพระอาทิตย์ขึ้นพอ อ, ออกเปลงเ่งแสงเจิดจ้าขึ้นมาเกิด ค, ความร้อนนี่คือธรรมชาติของมันพระอาทิตย์พระจันทร์ลมฟ้าอากาศ แล้วก็วัตถุอยู่เราค่าอยู่เราทั้งหมดแสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงทุกขณะทุกกิริยาอาการนี่คือความเป็นไปของมันมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นแหละคือสัจสจสัจสจคือความจริงความจริงยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นความจริงยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นอย่างฟไฟเราหยุดไฟปั๊บก่อนที่มันจะติดเป็นเป็นเปลวหรือเป็นเป็นอันนั้นแดงๆเป็น มันก็ก่อนที่มันจะเป็นเปลวก่อนก่อนที่ก่อนที่มันจะเป็นเปลวก่อนที่จะเป็นก้อนถ่านแดงๆเนี่ยจุดปั๊บมันก็จะมีควันจุดปั๊บมันก็มีควันในนั้นก็มีความร้อนจส็แล้วมีอะไรไปอยู่ใกล้มันก็ไหม้ไปหมดคือสจัจจะแต่ละอย่างตัวอย่างความจริงมันเป็ี่ยนยังไงมันก็แสดงเป็นอย่างนั้นแต่พุทธเจา้าท่านยกเอาวัตถุทั้งหลายทั้งปวงนี้มาแสดงให้พวกเรานี้เราพูดไป พวงพูดพวงไปถึงสัจธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปว่าบรรดาวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งรูปกายของเรารวมทั้งจิตใจของเรารวมไปถึงวัตถุอยู่รอบข้างตัวเรามันมีลักษณะอยู่ก็คือไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปไม่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปอันนี้คือลักษณะของความเป็นทุกข์ทุกขลักษณะอย่างหนึ่ง ลักษณะของความไม่คงทนเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังทุกขังแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปด้วยเหตุมันเปลี่ยนไปแล้วมันถึงทนอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุที่มันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันถึงเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้จังกับทุกขังเนี่ยมันจะมาด้วยกันมันจะมาด้วยกันปุ๊บปั๊บก็อันนี้จังทุกขังฟังไม่รู้เรื่องมันเป็นธรรมะที่ละเอียดเราพยายามพาดพิงไปให้ถึงธรรมะตื้นๆพาดพิงไปถึงธรรมะส่วนละเอียด ด้วยเหตุที่เราเกาะธรรมะส่วนที่ละเอียดไม่ได้นั่นเองมันทําให้เราไม่ค่อยจะเห็นความคุณค่าความสําคัญของพระพุทธศาสนาทําให้เราคลอนแคลนต่อหลักศาสนาของศาสนาธรรมทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเอาหลักธรรมเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเรา <c oughs> โอกาสที่พวกเราจะพิจารณาใคร่ครวญตาและให้เกิดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นความไม่คงทนของอัตภาพร่างกายเห็นการไม่คงทนของจิตใจของเรา มันพันกันไปหมดลักษณะเหล่านี้ถ้าเรียกว่าสัจสจสัจจธรรมสัจสจธรรมหากมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราพูดถึงว่าทุกขังทุกขังหรือความทุกข์เนี่ย <uen. S 1> เราอาจจะรู้จักแค่ว่าทุกขเวทนาคือความเจ็บความปวดป่วยไข้แท้ที่จริงความทุกข์ในหลักอริยสนะัจนั้นอ่ะท่านหมายถึงสภาวะทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงในตัวของมันไปด้วยเนี่ยเราเห็นมันเปลี่ยนแปลง ไ, ไปนั่นแหละคืออันนีจัง มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขงังมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอนิจจังถ้าจริงว่าอนิจจังยังไงทุกขังก็อย่างงั้นทุกขังยังไงอนิจจังก็ยังนั้นภาวะความเป็นไปของโลกไม่ว่าจะมีปราดบัณฑิตยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้ากี่ศาสด า, า, า, าแล้วก็ตามไม่มีใครสามารถมาตัดแปลงหนทางอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ท่านมีอย่างเดียวว่าท่านจะมาศึกษาให้รู้ความเป็นไปของมันแล้วจะได้เห็นทุกข์เห็นโทษ หเห็นโทษของกายเห็นโทษของใจพิจารณาปล o n ปลอยของทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงหลักนี้นี่คือทุกข์นันอันนจ้องทุกข์นันโดยเหตุที่เราดัดแปลงให้เป็นไปนตามใจของเราไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราพูดธรรมะง่ายๆโย่ไปถึงหลักสัจจสัจธรรมซึ่งเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาถ้าเราจะว่าถึงหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยมีอยู่ประจาโลก หลวงสิ จ, จ่าอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามธรรมะเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่นี้หาผู้มีปัญญาท่านั้นที่จะมาขุดคุยขึ้นมาเอาอันนี้มาสอนให้พวกเราเพื่อให้เราเข็ดเราลาวด้วยเหตุที่พวกเรามีความหลงมัด จ, จิตมจจัดใจของเราขาการศึกษาขาการอบรมยังรู้ถึงหลักของสัจ ธ, ธรรมเหล่านี้พวกเราจึงมีความคิดต้านกระแส ข, ของหลักสัจธรรมเหล่านี้ ร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ต้องเจ็บต้องไข้ต้องปวยไม่อยากเจ็บอยากไข้อยากป่วยต้องตายไม่อยากตายไอตัวที่ฝืนไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายฟังให้ว่าอยากอยากคือตัณหาตัณหามีอยู่ในใจของเราตัวนี้แหละเป็นแก่นของวัตจักรตัณหาคือความอยากเป็นแก่นของวัตจักรตัณหานี้เราดูไปที่ใจของเราเราจะเห็นเห็นความอยาก ความอยากหน่วยใจของเรามันมีสองอย่างให้เราพยายามจำเอาไว้ยากหนึ่งยากทําตามอํานาจของศีลของธรรมยากอันหนึ่งปีนเกลียวกับศีลกับธรรมปีนเกลียวกับระบบระเบียบกับกฎหมายกับปั้นเมืองปีนเกลียวกับศีลกับธรรมคาว่าปีนเกลียวหมายความว่าศีลไม่ให้ฆ่าสัตว์อยากฆ่านี่คืออำนาจของตันหาไม่รักทรัพย์อยากรักไม่ให้ผิดศีลข้อสามเนี่ผิดลูปผิดผัวผิดเมียเขาเนี่ย อยากผิดท้าทายสิ่งที่มีความรู้สึกอยากปีนเกลียวเกี่ยวกับเรื่องสินเรื่องธรรมนี่เป็นเรื่องอำนาจของตันหาทั้งนั้นแต่ถ้าอยากอนุโลมไปตามสินไปตามธรรมอำนอจนั้นเป็นมั่ความอยากสองอย่างนี้เราจะต้องจําได้ความอยากอันไหนปวดลโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเราพยายามละพยายามระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยซ้ําไปพยายามระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นเป็นสังวรปัญหาเวลามันเกิดขึ้นมาให้พยายามละ เป็นประหารประทานนะเราพยายามสร้างสิ่งที่เป็นมาให้เกิดขึ้นใ น, ในใใหัวใจของเราเช่นอย่างท่านสอนให้ห้ามฆ่าสัตว์รักทรัพย์เรามีความอยากโอ้อยากรักษาสิลงสิ่งนะไม่ฆ่าสัตว์อยากงดอยากเว้นนะไม่รักทรัพย์อยากงดอยากเว้นไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาอยากไม่กล้าฝ่าฝืนนะไม่กล้าพูดเท็จนะไม่กล้าดื่มสุราเมรัย อยากปฏิบัติให้เป็นคนเป็นผู้มีศีลมีธรรมความอยากเป็นแบบนี้ท้าเรียกว่ามัคความอยากหัวใจของเราเรารลึกมาดูความอยากก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะวิจัยว่าอยากตามอำนาจเกียรตหรืออยากตามอำนาจของธรรมถ้าอยากตามอำนาจของธรรมให้เรารีบส่งเสริมรีบสนับสนุนเพราะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมเรื่องมัคถ้าไม่มีกําลังพอจะไม่มีกําลังที่จะปัปต่อสู้กับกิเลสอาศัยความอยากหัวใจใจของเรา เวลาเรามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงนั้นท่านจึงให้เราสำรวมระมัดระวังเข้ามาให้มีสติกำกับให้มีสัมปชัญญะกำกับให้มีปัญญากำกับสติสัมปชัญญะกับปัญญากับความภาคความเพี่ยงความอดความทนความอุตสาหพยายามขัดสีสีไปสีมาเปลี่ยนเหตุให้เกิดปัญญาด้วยเห็นที่เรามีสติสติคือจิตจิตคือธาตุรู้ ตราบใดระยะใดเวลาใดที่ทาธาตุรู้เรารู้เด่นชัดโรู้อยู่ช่วงนั้นระยะนั้นผู้รู้ของเราตื่นรู้โรูอยู่นะคือจิตของเรามีสติกำกับยับยับยับยับเช่นอ ย, ยอย่างตาเห็นรูปปั้นเรารู้อเกิดจากขุ่จากขุ่วิญญาณถ้าเราไปไล่าตามละตามเส้นตามสายสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในกายของเราในในในใจของเรา เราพยายามมาระลึกรู้เรื่องของความอยากเสร็จแล้วเราก็มาแยกแยะวิจารวิจัยแต่ท่านก็มีหลักให้เราถือเราพูดเราปฏิบัติเช่นอย่างเราให้ทานอย่ากน้อยเราก็ละความเติร์ดีอยู่ทีเดียวยในหัวใจของเราได้อยากรักษาศีลเพราะศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเราต้องมางดต้องมาเว้นการงดการเว้นได้แต่ละข้อแต่ละข้อหมายความว่าเราอุดรู้ร่วง ของกิเลสตัณหาที่มันทะลักมาทับทั่วหัวใจของเราเช่นอย่างศินห้าขอ้อถือว่าปิดรูปิดช่อง5้ารูห้าช่องศิน8ปิดรูที่ละเอียดเข้าไปอีกอรูแปดช่องที่ทกิเลสมันจะทะลักทะลวงเข้ามาศินสิบ ส, สินี่สิ 4, บพิสุลีสินสามร้อยสอุบายวิธีของกิเลสตัณหาร้อยแพันประการที่เป็นรูเป็นช่องที่มันอุบายวิธีที่มัน ทะลุกก็มาทับทุ่งหัวใจของเราถ้าเราตั้งใจรักษาศีลตามบอกนั้นๆก็เป็นเห็นว่าอุดรู้อุดช่อบไม่ตันหามันมาทับทุ่งหัวใจของเราท่านจึงจให้ตั้งใจรักษาศีลเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลแค่เรามีศีลห้าและพยายามทําจิตใจให้ เ, าเราให้ให้สงบเขาเราเร า, เราจะถึงความสุขเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนที่เรียกว่าศีล ส, สมาธิและก็ปัญญาโดยเหตุที่เราอับจนปัญญานั่นเอง เราจึงลุ่มหลงอยู่ในโลกไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอยู่ในหัวใจของเราเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีการวิตกกังวลว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราอยู่ด้วยอำนาจของความมัวเมาที่เรียกว่าความหมาดเลินเล่อเพลิดเพลินเมาในชีวิตเมาในความไม่มีโรคเมาในวัยเมาในความไม่ตาย เมาในชีวิตเหมือนกัว่าเราอยู่สุบสบายเหมือนกับเราจะไม่ตายเราจะไม่ตา ย, ตายเป็นการประมาทมัวเมาก็เห็นที่เราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เห็นเข้าไปรู้เข้าเห็นหลักสัจจะทำแบบนี้แหละเป็นเหตุให้เราประมาทมัวเมา อ, อ, อ่าพิบก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใจแก้ไขให ม, ม่กินซะก่อนมาเลยเดี๋ยวค่อยละเดี๋ยวค่อยเว้นพิบศสียนเดี๋ยวไปขอพระอีกแน่เราก็คิดอ่ายกโทษให้กับตัวเองอยู่ร่ําไป เพราะฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นะเป็นสลิดเป็นมงคลก็เพราะว่ามีข้อปฏิบั ต, แติแต่ละอยา่างแต่ละอย่างถ้าหากไม่มีข้อปฏิบัติมันไม่มีเหตุที่เราจะจะเอามากํากับกายของเราวายจางของเราใจของเราด้วยเหตุที่มีเหตุนั่นเองเราตั้งใจทําลงไปเช่นอย่างตั้งใจรักษาศีนกิเลสจับจามาแสดงที่กายของเราไม่ได้ที่วายจางของเราไม่ได้ตั้งใจภาวนากิเลสมันโดนยึดอยู่ในหัวใจให้มันมาอยู่กับอารมณ์มันเดียว ใช้สติกำหนดจดจอพุทโธพุทโธพุทโธไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไปตามสัญญาอารมณ์ตามเรื่องราวสารพัดต่างๆที่มันมายั่วยวนในหัวใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอุบายวิธีร้อยแปดพันประการที่มันจะยุ่ยเยมาอมาอำนาจของตัณหาคนอุบายของมันเนี่มากมายกว่าน้ำในมหาสมุทรที่ระหว่าง น, นักธิฐานสมานธีอ่า ตัญหาอะไรมากมายถึงขนาดนั้นเราดูขณะจิตของเราถ้ า, าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมเลย <c oughs> มันโผล่มาขึ้นมาทีไรเมื่อไร่มันจะแสดงความโลภก็ตาม <c oughs> ไม่แสดงความโลภก็ตามความโกรธก็ตามมันจะแสดงออกก็ตามไม่แสดงออกก็ตามแต่ถ้าหากมันครือคลุมเครือมาด้วยอํานาจของความรุ่มหลงนั่นแหละตัวเข้ามาแหละมันมาครอบเราทั้งหมดตัญหาคือตัญหามันมาครอบเราทั้งหมด ตัณหาก็คือกิเลสกิเลสก็คือตัณหาอวิชชาตัณหาอุปาทานมันตัวเดียวกันมันอันเดียวกันเท่านั้นแต่เราไปแยกชื่อเรียกกันเฉยๆสิ่งเหล่านี้เรเรียกว่ากิเลสเพราะมันเป็นสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองความโลภทําให้ใจเราเศร้าหมองความโกรธความปีติใจเสียพยาบาทเป็นสภาพทําให้จิตใจเราเศร้าหมองความเศร้าหมองนั่นแหละท่านใช้คําว่ากิเลสความมืดความมืดของใจท่านใช้คําว่าความหลง อวิชชาอวิชชาความไม่รู้คือไม่รู้ไม่รู้ลักษณะตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงท่านไมใช่คำว่าอวิชชาพอเ ร, ราประกอบจิงไตลงไปแล้วตามอําอนาจของอวิชชาตันห า, หาอุปาทานหรือประกอบไปแล้วตามอํานาจของตันหาอุปาทานก็ยึดเอาเมื่อเราดํำริเป็นเรื่องของกิเลสนะผลตามมามันก็เป็นผลของกิเลสแต่ถ้าเราดําำรินเรื่องของธรรมผลตามมามันก็เป็นเรื่องของธรรม ในชีวิตของเราเราควรจะดำริเรื่องของธรรมเพราะเราดำริสิที่เป็นธรรมขึ้นมาทีไรเมื่อไหร่ผลที่เป็นผลของธรรมนั้นมันมันจะมีผลเพิ่มเป็นวิบากอเช่นอย่างเรามีสติกำกับจดจ่ออยู่ที่ใจของเราแล้วสมมติเราตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือพองหน่อยยุ่หน่อยหรืออะไรก็แล้วก็ตามแต่ว่าจะเราจะดำริมาในใจของเราให้ที่มีสติกำกับอยู่มันเป็นเรื่องของกุศลมันเป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้น ผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมธรรมะมากธรรมามากมันก็มีผลวิบากมากขึ้นถ้าเราเจริญด้วยอิรยาดเรื้อนนั่งนอนด้วยอิริยาบทของการถือธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกิเลสมันก็แทรกไม่ได้เวลามันแทรกเข้ามาเรารู้ทันมันก็ดับเวลามันแทรกเข้ามาเรารู้ทันเราก็ดับแต่ถ้าหากในอาชีนกรรมชีวิตของเราเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเลย เราปล่อยให้กิเลสมันแสดงฤทธิดเดชเข้ามาเต็มที่มากลายเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมีหนึ่งมีสองคูณเป็นทวีคูณไปเลยถ้าเราเจริญธรรมธรรมะก็ทวีคูณถ้าเราปล่อยเป็นไปตามอำนาจของกิเลสกิเลส ก, รรก็ทวีคูณอันนี้เราพูดพันไปถึงสัจจสัจธรรมอันนี้จำทุกขันธณานตาซึ่งพันมาที่ที่สัจจ ท, ที่ในหลวงท่านพยายามเอาธรรมะของพุทธเจ้ามามาเตือนพวกเราเนี่ยให้ถือว่าเป็นธรรมะที่อยู่ปากคออธิษฐานธรรมควรตั้งเอาไว้ในใจทําประหนึ่งเป็นเสมือนอสัตว์อยู่ป า, ากคออจะแสดงกิริยากายกิริยาวาจาออกมาให้มีสัตว์ให้มีซื่อยิ่งดูละเอียดลึกเข้าไปให้เห็นถึงหลักของสัจธรรมคือแล้วถ้ามีธรรมะอยู่ปากคอขนาดนี้กลายเป็นว่า อีรยาบทที่เรายืนเดินนั่ง น, นอนจะเป็นเหตุทำให้เราได้สติได้ปัญญาทุกระยะทุกระยะ ท, ทุกเวลาธรรมะคือความขคงใจของใจเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เห็นสัจจคันติคือความอดความทนเพื่อให้รู้เห็นสัจจจาคะสละอะไรสละที่เป็นกิเลสสละที่เป็นการหักตัณห า, าที่มันพายึดพา ถ, ถึง เป็นเหตุให้เราไม่เห็นอันนี้จากทุกขังตา่างๆไม่เห็นสัจจะอย่าลืมว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้สัจจธรรมะขันติจาคะสมข้อสุดท้ายนะมันจะเป็นข้อส่งเสริมส่งเสริมเพื่อให้เราไปรู้ไปเห็นสัจจะเป็นข้อ ส, งส่งเสริมให้เรามีสัจมีซื่ออดทนอดซื่ออดทนคงใจที่มันพาเราบิดเราเบี้ยวอดทนขคงใจอดทนคง อ, อ, อดทนคือขันติ ขันติจาระจาระเสียสละเสียสละอารมณ์ที่ทําให้เราเจ็บให้เราปวดอารมณ์ที่ทําให้เราต้องทนทุกข์ต้องทรมานอารมณ์ให้เราต้องเกลียดต้องโกรธต้องอิจฉารี่เสียไปยาบบดอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ให้มันแสดงออกมาให้ปรากฏที่ใจของเราทั้งสมข้อสุดท้ายนี้หนุนไปเพื่อให้เราเห็นสัจจะสัจธรรมที่ละเอียดลึกเข้าไปเพื่อทําให้เราถือสัจ สัจยะสัจยะหรือซื้อสัต์สุจริตของเราให้เปลี่ยนไปจะซื้อสัต์สุจริตได้เราต้องอดเราต้องทนเราต้องคงใจใจนี้เราต้องคงเพราะตัญหามันแทรกมนแทรกมาที่ใจเวลามันแทรกขึ้นมาแล้วมันมันถือถือถิพย์ถือมณัถืออัตตาถือตัวถือตนขึ้นมามีเล็กมีน้อยมีใหญ่มีสูงมีต่ำมีเกียรติมีสักมีสีมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นหมด ตาตัวมันปรากฏขึ้นมาที่ไรอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาที่ไรเมื่อไรสิ่งวันนี้โผล่ขึ้นมาเพราะโผล่ขึ้นมาแล้วมีการถือแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการถือนี่เองการถือเนื้อถึงตัวการถือเนื้อถึงตัวเรามาพิจารณาดูหลักหลักของผู้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดท้ายแล้วท่านทิ้งความถือไปหมดเลยถือมนะมนะคือความถือตัวมานะทั้งหมดท่านทิ้งได้หมด สำคัญว่าจะของดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขานี่ละได้หมดดีกว่าเขาไม่สำคัญว่าจะของดีกว่าเขาไม่สำคัญว่าจะของเสมอเขาไม่สำคัญว่าจะของเลวกว่าเขารู้ภาวะเท่าที่มีเท่าที่เป็นไม่มีความสำคัญความว่าสำคัญสาคัญนั้นมันเป็นเรื่องของตันหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราทำให้เรายึดผิดถือผิดสาคัญผิดมั่นหมายผิดสาคัญว่าเป็นเรา คำว่าเราก็คืออัตตาบูติกาทศสงว่าอนัตตาอนัตตาด้วยเห็นที่เราไปกระเกียร์ให้มันเป็นเป็นไ ป, นปนตามใจความของเราไม่ได้ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาแต่ตันหาที่มาอยู่ในใจของเราเนี่ยมันคิดตรงกันข้ามเสียนแล้วความนึกคิดของตันหา ก, กับความเป็นไปของสัจธรรมเนี่ยมันเหมือนหินหักมันต่อกันไม่ได้ถ้าเรามาพิจารณาให้จริงจังเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหดูเราดูความโง่ที่ มันโง่ได้มันเกิดขึ้นได้หน่วยใจของเราอ่ามันเกิดขึ้นได้หน่วใจของเราร่างกายมันต้องแก่มันแก่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเข้ามันแต่ใจนะมันไม่อยากแก่ต้องจิบแต่ไม่อยากจิบร่างกายต้องตายแต่ใจมันไม่อยากตายตั้งหาไม่อยากตายอยากอยู่ยาไม่แก่อยากไม่จีบยากไม่ตายนี่เขาคือความอยากของตัณหามีแต่ความอยากเฉยๆแต่ว่า ร่างกายมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเหมือนอย่างไฟสว่างอยู่ในห้องอันนี้นะมันมีเหตุมีปัจจัยของมันสมมติเราเอาใจของเราไปบังคับให้มันดับจ๊กดับโจ๊กดับโจ๊กดับมันไม่ดับเพราะมันติดด้วยกลไกของมันแต่ถ้าหาเราไปดับที่กลไกนั่นมันก็ดับแน่เราคิดได้ดับที่เฉยมันดับไหมมันดับไม่ได้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราเหมือนเหมือนที่เรามีความอยากนี้แหละอยากให้ไฟนี้สมมติดับ สมมติเราไปดับน้ำไฟมันมืดไฟจงสวา่างไฟชงสวา่างไฟจงสวา่างความนึกคิดของใจเฉยเฉยจะสว่างขึ้นมาได้ไหมถ้าเราไม่ไปกดสวิตช์ความยากของตัญหาที่มันอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกันมันจะเฉยเฉยแต่ว่าไอ้ทุกสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรามาดูอัตราภาพร่างกายของเราทําไมต้องแก่ทำไมต้องเจ็บใครได้ป่วยทําไมต้องเป็นโรค เราดูร่างกายของเราพุทธญาติทุกชนกล่าวว่าประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาเกาะ ก, กลุ่มกันมีหัวมีแขนสองมีลําตัวแล้วก็มีขานะตามภาวะของความเปลี่ยนคนตามภาวะของความเปลี่ยนมนุษย์มีเท้ามีขาเดินได้เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งถ้าเราากันที่จะเมืนกับชีวิตของต้นไม้ต้นไม้ก็มีชีวิตมนุษย์เราก็มีชีวิตแต่มนุษย์เรามีขาเดินได้มีวิ ญ, ญญาณครองต่างกันตรงนี้ อันนั้ น, นกบมีชีวิตต้นหนึ่งร่างกายเรามีชีวิตต้นหนึ่งชีวิตของเราเรามีแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยพ่อกับแม่เป็นคนปลุกปลูกที่ไหนปลูกในท้องแม่จเจริญเติบโตในท้องแม่ทุกคนเองเจริญเติบโตในท้องแม่ด้วยการทางนั้นเน่ยพุทธเดียวประโยคแรกประเด็นแรกความเกี่ยวข้องขั้นแรกแรกก็ะเอียดมองไม่เห็นหนึ่ง ธาพ่อธาตแม่ประกอบกันในท้องแม่นั่นคือของสังขารกองหนึ่งเราดูอย่างนี้เราจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็จะได้ไประโยชน์ในการเทียบจามาพิจารณาเกิดกรรมฐานดูไปในท้องแม่พ่อกับแม่ประกอบกันเรามีแต่ผู้รู้มิตรกิจกับผู้รู้กับผู้กิเลส ต, ตัณหานี่ไปจับจองไปจับจองเป็นสังขารกองหนึ่งรูปธรรมกับนามธรรมเข้าไปเกาะเกี่ยวกันอยู่ในท้องแม่หลังจากไปเกาะเกี่ยวกันแล้วเนี่ย ไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่ยเปลี่ยนไปเรื่อยจากเล็กๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาตอนก็โตขึ้นมาเป็นน้ําใสๆเป็นน้ําข้นๆเป็นน้ำเหมือนกับน้ํำล้างเลือดเหมือนเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจกสาขามาเรื่อยเดเดือนแปเดือน9เดือนครบอวัฒน์สาสองออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมเพราะกองสังขารแต่ละกองแต่ละกองนั่นคือกองงานมันมีกองงานทํางานอยู่ในนั้นไม่จบท้งวันทั้งคืนอยู่นั้นะ ยิ่งมาแล้วก็มาเป็นรูปเป็นร่างลักษณะร่างกายมีเส้นสายมีระบบระบบระบบหายใจเห็นไหมหัวใจมันปั๊มปั๊มไปปั๊มเลือดไปฉีดตรงนั้นไปฉีดตรงนี้เพื่อให้ต้องฉีดตรงนี้มันเจริญในวัยที่ควรเจริญแล้วก็พอไปถึงวัยที่ควรเสือเส่อมก็เสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเจ็ดสิปีแปสิปีเก้าปียังมากสุดร้อยปีเจ้ากุฎดงยาในโมลีวัดโพชิสงพรอายุร้อยห้าปี กำมรณะภาพไปแล้วในที่สุดในที่สุดก็นั่นคือจุดสุดท้ายของสังขารก่อนนี้ไม่เคยมีสังขารใดที่เสอยู่เท่าเดิมที่รูพที่จะาท่ามองเห็นนี่คือภาวะของความเป็นทุกข์มันอยู่ทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆจังเรากะเกลี่ยให้เป็นประจําใจหวังของเราไม่ได้แต่ตัณหาในใจของเราเนี่ยเรารู้ได้ยังไงย้อนมาดูทีใจของเราเราจะรู้วิธีจัดการเข้ามาเราจัดการยังไงสมถะ ภาวนาวิปัสนาภาวนาเอาสติเอาสัมปจนยักมากํากับบริกรรมให้อยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตของเราได้รับความสงบเมื่อจิตสงบแล้วใจของเราก็จะเริ่มผ่องเริ่มใสเริ่มสว่างอวิชชาตัณหามันก็เริ่มจางจางออกไปแต่ถ้าเราปล่อยมันมาคลุมอีกเราปล่อยมันก็มาคลุมอีกหรือไม่กระทั่งเราตั้งใจเจริญ เจรินมหาสติยืนเดินนั่งนอนนะกำหนดมีสติกำกับกำหนดจดจอ่ออยู่เราลองเอามาสติมากำหนดจดจ่ออยู่ที่ใจของเราใจของเรามีความโกรธ ด, ดิ้นแล้วเราเราก็จอดูกิจอาการที่มันโกรธสักหนึงมันล ะ, ล, ะลายหายไปอ่าเพราะเพล้บเพล้บมันโกรธก็ไม่จอดิดล ะ, ล, ะลายหายไปด้วยเหตุที่เรากำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เราเจริญมหาสติ จิตวมาสติคือกำหนดที่กายกำหนดที่เวทนากำหนดที่จิตแล้วกำหนดที่กายย้อนมาดูที่จิตแล้วกำหนดที่เวทนาดูที่เวทนาแล้วไปย้อนเข้ามาที่จิตเพราะตัณหาเวลามันจะเกิดมันจะเกิดที่จิตในเมื่อเราย้อนมาได้อย่างนี้เราเห็นที่เกิดของตัณหาเราเห็นที่ดับของตัณหาเราก็ทรมานกันอยู่อย่างนี้แหละสัมผัสก็ทําให้เป็นเหตุให้เกื้อกูลให้เกิดปัญญา ปัญญาก็เป็นเหตุเครือก่ายให้เกิดสมถะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เรียนให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้วิธีการอื่นไปไม่ถึงวิธีการนี้ไปถึงได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นี่แหละวิธีการนี้แหละที่จะทําให้เราเข้ามารู้ส่วนที่เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ่งในหังวใจการเจริญสมถะทําใจให้ได้รับความสมุบเราพูดถึงอราราดาดาบทสมมาบัติเจ็บอุชกดาดาบทสมมาบัติเป พระพุทธเจ้าท่านไปเรียนจบภายในระยะเวลาที่สั้นพอเรียนจบแล้วอาจารย์บอกว่าจบแล้วแต่พระองค์ย้อนไปดูในพระไตรปิฎกพระองค์เฮ้ยทำไมความทุกข์ยังกองเต็มแพร่อ ย, อยู่ทุกห่วงใ ย, ยมิตรตกกังวลสริพัดกองอยู่ในหัวใจไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์สึ้งแยกมาและตั้งใจบําเพ็ญด้วยลำพางาของพระองค์ด้วยเหตุที่พระองค์มีจิตละเอียดลึกขนาดนั้น่ะ อ, อย่าลืมว่าสมาบัติ รูปปัสมาบัตรอรูปปัสมาบัตรนั้นคือความสงบของใจให้ใจนิ่งอยู่ยังไงก็อยู่ อ, อย่างนั้นและวกันในนั้นมีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาดำรินบิณฑบาตฉะนั้ น, น, น ส, สมมติเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อทำลายความหลงหลงยึดหลงถือนี่หลงเรื่องหน้าของตันหาราคาันในนั้นเร า, เามาพิจารณาพิจารณาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเจาะอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์หันมาบำเพ็ญโดยลําพังของพระองค์ในคืนบำเพ็ญเดือนเดือนหก วันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหมันเปลนเดือนหกนั่นแหละเป็นเหตุให้พระองค์ได้ยานโดยลําดับเห็นไหมผูเ้เบนะวาัสานุสติยาน <c oughs> จนัึงปัจจัยยามปัจฉิมยามสุดท้ายแห่งกราศีถ้าให้พระองค์ได้บรรลุอาสาวะค ย, ยานรู้ว่าขีดเหตตัหาที่เคยกองอยู่ในหัวใจความสงบเหล่านั้นเหล่านั้นสงบระงับไม่ได้แต่ว่าด้วยเหตุที่พระองค์มาหมุนด้วยอํานาจของยานทําให้พระองค์ เอาตปัตทำเหล่านี้ไปแพ่เผาให้ตันหาภายในพระไทยของพระองค์เกือแห้งไปหมดจากขันทสันดานเป็นเหตุให้พระองค์ได้อาสวัขคยาญาณมียานอย่างหนึ่งอย่างรู้ว่าอู้อาสวัคคเรียนในหัวใจของพระองค์เกลือแห้งเกลี้ยงไปจากพระไทยของพระองค์เกือแห้งหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ถ้าเราจะเที่ยวกับเมื่อก่อนน้ำความชื้น ความชื้นที่มันมีอยู่มันถูกแดดเผาคือแห้งหายไปไปไหนหมดไม่รู้กิเลสตัณหาสภาัวะในพระทัยของพระองค์แห้งไปไหนหมดทําให้พระองค์พอใจโอ้หมดแล้วกิเลสตัณหาสภาวะที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์เือแห้งหายไปหมดแล้วมนุษย์ผลสําเร็จแล้วแต่สรุปเป็นพระสัมมา ส, มสัมโพธิยาได้บรลามมารลุพระสัมมาสัพพุทธสัมมาสัมปวธิยาทําให้พระองค์พอใจพอพอใจละอ่า มาตรปทุมมาาสินอันนี้กชาติที่สร้างชาติรังโอ้ตันหาทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเกิดอันเนกชาตนับพบนับชาตไม่ท้วนตอนนี้เราเห็นหน้าเห็นตามันหมดแล้วแหละมันเหือดแห้งละลายหายจากพะฒท์เราหมดแล้วไม่สามารถที่จะมาทำ บ, บ้านช่องที่อยู่คือสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์ต้องมาทนทุกข์ทรมานได้อีกแล้วนี่เรามาพิจารณาดูว่าความสงบเหล่านั้นแค่ชะลอแค่ชุด แต่ถ้าไม่มีความสงบเหล่านั้นเอามาทำงานเพื่อให้เกิดความรู้กเกิดความเมตต์ก็ทําได้ยากเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเอามาสอนสมถะวิปัสนาสมถะเกื้อกูลกับวิปัสนาวิปัสนาเกื้อกูลกับสมถะพุโทโธพุทโทพุทโทพุโทพโธอยู่ต้องถือว่าเป็นสมถะทําใจให้ได้กครับความสงบเพราะสงบแล้วมันเป็นพลังเป็นพลังเหมือนอะไรเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันเก็บพลังนั่นแหละ สมมติเรามีโซล่าเซลล์รับไฟจากแสงอาทิตย์มาแล้วมาใช้โดยตรงเพราะหมดแสงอาทิตย์มันก็หมดกําลังสง่งแต่ถ้าเรามาส่งมาแล้วเรามีหม้อเก็บเอาไวา้กลางคืนเราสามารถเอาพลังนั้นมาใช้ได้ใจของเราที่มีความสงบมันนั่นนึกอยู่ในหัวใจของเราเวลาต้องการพิจารณาเกิดปัญญาแล้วใจมันเชื่องตัณหามันมาแทรกหัวใจของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีพลังสามารถดูเห็นสัจธรรมที่ละเอียดลึกละเอียด สามารถดูลักษณะธรรมที่ละเอียดได้ไม่งั้นดูมันไม่ออกพอดูไปดูไปดูไปตัณหามันก็มาสวมรอยแล้วดูไปดูไปดูไปตัณหามาสวมรอยแล้วตัณหาคือความอยาดดูไปเหมือนมันมีตัวมีตนแท่ที่จริงมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนตัณหาหัวใจของเราเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาถึงที่พิจารณาหมดหผื่อแห้งหายไปหมดมีแตกิริยาอาการ ปัญหามีแต่ ก, กิริยาอาการถ้าเราจะพิจารณาไปให้จริงจยางเข้าไปแล้วก็คือความเลวทรามของจิตของเราที่เรายังไม่ได้ขัดเกลายนั่นเองมันไม่ใช่มีอะไรที่เป็นสิบเป็นสอง ม, มักดนจิตดนใจของเราก็ผู้รู้คือธาตรู้ของเรามันเป็นวัตถุ ด, ดิบเกิดขึ้นมาด้วยการพัฒนามาในตัวตัวมันเองแต่พระพุทธเจ้าท่านมาหาวิธีการเพื่อที่จะพัฒนาทําให้พระพระจิต คือธาตุรู้ของพระองค์เนี่ยบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวแต่พวกเรานั้นไม่เป็นหนึ่งเดียวมันมีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ปนเปื้อนมาด้วยกลิ่นตระหนาอาสวาัตมันปนเปื้อนเข้ามาด้วยอความโลภความโกรธความอิจฉาความพิษยาความพยาบาทสารพัทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมามันพัฒนามาด้วยกับธาตุรู้ผู้รู้ของเราเวลาพระองค์ช้าล้างไปหมดแล้วเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้เมื่อก่อนนั้นไม่บริสุทธิ์ เกิดมาตามอำนาจของกระแสของโลกเวลาผมชะล้างให้บริสุทธิ์ไปแล้วคนอุบายมายาที่มันเคลือบแฝงมากับท่ารู้ของเรามันหมดไปเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่เป็นท่ารู้ที่มีประจําอยู่นั่งเดิมเมื่อก่อนท่ารู้ก็มีอยู่ประจําประจําอยู่เกิดขึ้นมาในโลกพอชะล้างให้บริสุทธิ์ได้เสร็จแล้วยังมีประจําอยู่ในโลกเหมือนเดิมพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระผู้ริเจ้า พระพรสาวพระอริยสาวกยังมีอยู่ในโลกนะแต่ถ้าหากพระองค์ถ้ า, ายังไม่ได้อนุภาที่เสียสนิพานยังไม่ดับขี้วายชนไปก็ยั ง, ค ร, งครองอยู่นี้แหละแต่ถ้าหากดับชี้วายชนไปผู้รู้ก็ยังบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นและไม่มีพบไม่มีชาติจํากัดดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอ น, นอันตกาลในพวกพรอมเข้าไปเกิดบนพรอ ม, มโลก 8, 000, 000, แปดหมื่นสี่พันกับไม่นาเดียว เพราะมันมีมันมีภพชาติจํากัดแล้วก็มีอายุจํากัดแต่ภพชาติของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมาจํากัดเพราะมันไม่มีภพชาติมามาจํากัดเมื่อมีมภพชาติมาจํากัดมันก็ไม่มีอายุจํากัดดํารองตนอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดอนันตกาลผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่หมดไปจากโลกแต่ถ้าไม่มาภาดพียงสมมติพวกเราจะไม่มองไม่เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าท่านใช้ทารู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ขรู ป, ปสมาบัติอรู ป, ปสมาบัติก่อนที่พระองค์จะประนิพพานเวลาธาตรู้ที่บริสุทธิ์ไปประทับอยู่ที่องค์ฌานองค์ใดองค์หนึ่งพระอนุรุธท่มองเห็นไปประทับอยู่ที่อรู ป, ปสมาบัติองค์ฌ า, านใดฌ า, านหนึ่งก็มองเห็นไปประทับอยู่ที่สัญญาวิจิตรนิโรธก็มองเห็นเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมคือคุณสมบัติที่จิตฝึกฝนอบรมได้ ไม่ใช่เป็นคุณสมบัติไม่ใช่เป็นพระความเป็นพระอรหันความเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์สามารถาพาดพิงสิ่งเหล่านั้นได้ <Yeah. S 1> พระองค์พิจารณาถอยกลับไปถอยกลับมาพิจารณาแล้วเข้าไปอีกฌานที่หนึ่งที่สองที่สามออกจากฌานออกฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่อารมูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่มองไม่เห็นเลยตอนนี้เพราะอนุรุธะมองไม่เห็นมองธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั้นมองไม่เห็น แต่สิ่งล่านั้นมีอยู่ไหมมีมวเวลาไปประทับสิ่งที่เป็นสมบุติของมองเห็นตอนมีกิเลสก็อาศัยธาตุในโลกมาเกิดพอดับกิเลสหมดแล้วถ้ารู้ทบริสุนี้ก็ยังมีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราพุทธังธรรมังสังขังสนานังกจามิขอให้เราตั้ง อ, อกตั้งใจว่าไม่ใช่เราว่าเปล่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนใครต้อพยายามตั้งใจเฝนะ้านั้งใจได้รับความสงบจะเไดมเห็นพระพุทธเจ้าได้รับความสงบมาก เห็พระพุทเจ้ามากได้กับความสุขขอ ง, องรพร ะ, เ, ะ เ, หเห็นพระพุทธเจ้าน้อยตั้งใจละเคลียรได้มากตั้งใจละเคลียรได้หมดเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เอาใครมาแทนพระองค์หรือไม่ไม่ไม่มีศาสดาเอาธรรมะที่พระองค์สอนนี่แหละเป็นศาสนาแล้วก็ใครต้องการเห็นพระองค์ก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเรานั่นแหละคือภาวะของพุทธแท้ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ผู้นัเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแท้ที่จริงถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ของพระอรหรันต์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่สูญไปจากโลกคุณสมบัติเหล่านั้นยังมีอยู่ขอให้พวกเราตั้งใจอนุสรน์นัลึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกุณสมบัติเหล่านั้นก็จะมากล่อมกลาจิตของเราให้ละเอียดให้อ่อนให้ได้รับความชุ่มเย็ยน ให้เกิดสิริให้เกิดมงคลให้ชุวมเย็นเป็นสุขพวกเราเป็นไปอยู่ในโลกมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมแล้วก็จะไปด้วยกรรมอย่าลืมพิจารณากายกรรมของเราไวจีกรรมของเรามโนกรรมของเราพยายามรักษากรรมของเราให้บริสุทธิ์กายกรรมของเราให้มีสิมีธรรมไวจีกรรมของเราให้มีสิมีธรรมมโนกรรมของเราให้มีสิมีธรรมเมื่อเรามีสิมีธรรมกับ กายกรรมวิจิกรรมของเราก็จะบริสุทธิ์ให้เรามองเห็นความบริสุทธิ์กรรมของเรากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมไม่เอากรรำของเราไปผลเพื่อนกับคนอื่นเรารู้ว่าเราทําดีไม่ใช่เราถิ่มเราทําผิดไม่ใช่เราเป็นคนผิดคนอื่นมักกล่าวหาว่าเราเป็นคนผิดเรารู้แก่ใจของเราเราไม่ผิดเราไม่ได้มีความผิดเราก็กลียิ้มย่องอยู่ในความถูกของเราเรียกว่ามองเห็นความบริสุทธิ์ Audio. ที่กรรมของเราที่ใจของเราถ้าเราสำรวจระมัดระวังอยู่อย่างนี้มันเป็นการใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมใช้วินัยใช้ศีลใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามากำกับกายกรรมมากำกับวิญญกรรมมากำกับมโนกรรมของเราชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญที่ความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญที่ลาบถี่ยศที่เกียรติที่สรรเสริญอะไรจะอะไรสรรพัฒน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญ ให้ความสําคัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขอิตายะสุขายะบางทีลาภยศเกียรติสารเสวนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่เราได้ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่มีความสุขเลยไม่มีความหมายพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญถ้าได้พร้อมด้วยลาภด้วยยศด้วยเกียรติด้วยสารเสริญแต่ชอบด้วยธรรมเป็นเห็นให้ได้รับความสุขอันนี้ปรงองสมสารเสวนเยี่ยม คือได้มาในทางที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบให้เราคํานึงอยู่ว่าพระบิดาเจ้าท่านให้ความสําคัญที่ความสุขสิ่งที่ผิดเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์แม้ไม่ถี่ไม่สายพระอไม่เคยสเสารเสริญเลยชกทรงยกย่องชมเชยสเสารเสริญผู้มีศีลมีธรรมและยังความประโยชน์ให้เกิดความสุขทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นผู้มีส่วนมาเกี่ยวข้องอันนี้คือหลักธรรมที่ท่านสอน วันนี้พวกเราทําบุญให้เกิดความเป็นสริริเป็นมงคลกับบริษัทของเร า, ามีการนิมนต์อาาุปราชมาเจริญพระพุทธมนต์เลี้ยงพัดตาหารไหว้พระราบศีลฟังประสงค์เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังเข้าอาขา อ, าอ่านข้อธรรมไดรับความรู้ได้รับความเข้าใจเอาไปถือเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเป็นสริริเป็นมงคลเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่เรืองในชีวิตจิตใจของเรา ทุกอย่างมีผลมีอ น, นิสง์ขอให้ผลอ น, นิสง์ทั้งหลายทั้งพวกเรล่านี้อำนวยอวยชัยให้พรกับพวกเราทั้งหลายประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีเก่าตลอดปีใหม่โดยทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเธ อ, อให้พรให้พร <c oughs> ทิยทาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะมีวัยโตทินังเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังสิบเมวะสัมมิจตุสัพเทปูเรนทุกสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิโชติระโสยทายาทาม อิมยูมาตัสสัโยโปนัสสตุมาเตภวัตวันตารโยจุกิ อายโกมภาวะอภิวาทนาสิริเสนจางวุฒาปัญญโญจตารทธามาวาทันติอายุวันน้ยสุขัง พาลวอาโยะทาโกธะนาว้ากโกเซริวะทากโกยะสวะทากโกอัลลาวะทากโกพาลวะทากโกวันนาวะทากโกสุขาวะทากโกโหตุชาปะทาทุกขารวะทายาม โสกสตุจ so ุปาตวะเนกาอันตรายาวินาสันตุจเตชะสาชัยเสติตนังนางโสทีภกยังสุขังพลานเสริอายุชาวันโอยโพคังวุฒิพยสวาน สาจะอายุจะชีวสิทธิ์ภวันตุเตภวตุชาปามังคะลังราขันตุสชาะเทวตาสาภคุทานุภาเวนสัทฐานสทธิภวันตุเตภวตุชา ขลังราคันตุสปฏเทวตาสาปธรรมานุภาเวนสสัสตาโสติภวันตุเตมภวตุชาภมคลังราคันตุสาปฏเทวตาสาปสังฆานภาเวนสสัสตาโสติ I want to be.